ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพระปุพรสิกขาและปุพรสิกขาวันน า, นาพระอมราพิรักิตะอมโรเกิดวัดบรมิวาสรจนาต่อไปจะเป็นธรรมรัตนกถาจากพันานาธรรม ร, รัตนถามว่า ที่ชื่อว่าธรรมะธรรมะนั้นอะไรเป็นธรรมสิ่งที่ดีก็กล่าวว่าธรรมสิ่งที่ชั่วก็กล่าวว่าธรรมสิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วก็กล่าวว่าธรรมดังบาลีว่ากุสลาธรรมาอกุสลาธรรมาอัพยากตาธรรมาดังนี้อะไรเป็นธรรมในธรรมรัตนนี้แก่ว่าความดีจริงเป็นธรรมในธรรมรัตนนี้ความดีแต่ไม่จริงไม่เป็นธรรม ความจริงแต่ไม่ดีก็ไม่เป็นธรรมความไม่ดีไม่จริงก็ไม่เป็นธรรมความเห็นว่าผลแห่งบุญและบาปไม่มีอีกถ้าโลกนี้ไม่มีดังนี้เป็นต้นชื่อว่าความไม่ดีแล้วก็ไม่จริงความเห็นว่าอาทิตย์เป็นของสองโลกให้สว่างดินน้ำไฟลมเป็นที่อาศัยของสัตว์แล้วแลกราบไหว้บูชาของเหล่านั้นอย่างนี้ชื่อว่าความจริงแต่ไม่ดี ปฏิบัติของบุคคลบางพวกดังนี้เมื่อเวลาราคะโทสะเกิดขึ้นในจิตเห็นว่าราคะโทสะเป็นของไม่ดีแล้วหันหน้าตู้ด้วยอุบายดังนี้ว่าถ้าเป็นเจ้าผู้สร้างโลกอยู่ในที่ทั้งปวงรู้เห็นอยู่ในการทั้งปวงท่านเห็นเรารู้อำนาจราคะโทสะไม่ข่มเสียท่านจะจดบัญชีลงชื่อเราไว้แล้วแลปรับโทษในภายหลังใช้อุบายดังนี้แล้ว และข่มราคะโทสะเสียดังนี้ชื่อว่าความดีแต่ไม่จริงเพราะหันหน้าสู้ข่มราคะโทสะซึ่งเป็นกิเลสเป็นความดีแต่พระเป็นเจ้าเช่นนั้นไม่มีจริงความไม่โลภ ก, ก็คืออโลพาความไม่โกรธคืออโทสะความไม่หลงคืออมโมหะหรือว่าปัญญาที่บุคคลทําให้มีให้เป็นขึ้นด้วยอุบายที่จริงที่แท้ ใช่ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงที่มีในเวลานอนหลับเป็นต้นก็ดีหรือความเป็นเองที่ไม่มีโลภไม่โกรธไม่หลงเพราะไม่มีสังขารเป็นที่ตั้งก็ดีชื่อว่าความดีจริงก็คือเจริญอะโรพาอโทสะโมหะและโลภาโทสะโมหะอยนี้ชื่อว่าเป็นความดีแล้วก็ชิงด้วยถามว่าความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงที่บุคคลทําให้มีให้เป็นขึ้น ด้วยอุบายที่จริงที่แท้ชื่อว่าความดีจริงนั้นอย่างไรแก่ว่าเหมือนอย่างว่าบุคคลคิดเห็นว่าร่างกายที่มีวิญญาณคลองและรู้สุขรู้ทุกชื่อว่าสัตว์นี้จะเป็นมนุษย์ก็ตามดิอรชันก็ตามย่อมเกลียดทุกรักสุขทั่วทุกตัวตนเมื่อกำหนดเห็นฉะนั้นแล้วและไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้ความทุกข์ด้วยกายและวาจาของตน คิดความสุขให้แก่สัตว์อื่นข่คมความโลภความโกรธเสียด้วยอุบายดังนี้ด้วยเห็นว่าการประพฤติเช่นนี้เป็นความดีจะให้ได้ตุกข้างหน้าชื่อว่าความดีจริงอนหนึ่งรำพึงถึงแต่ความตายเป็นการเจริญมรณสติภาวนาได้ความสลดใจก็ดีหรือรำพึงว่ากองกายนี้เต็มด้วยเครื่องโสโครกมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้น เป็นการเจริญกายยกตาสติภาวนามีปฏิกูลสัญญาบังเกิดขึ้นรำงับเสียซึ่งความกำหนัดความโกรธความหลงได้ก็ดีหรือเห็นละเอียดลงไปว่าสรรพสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่ตนด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้ด้วยวิปัสสนาภาวนาแล้วไม่มีความโลภความโกรธความหลงด้วยเห็นว่าปฏิบัติอย่างนี้จะให้ตนได้สุขภายหน้าและผลทุกข์ทั้งปวงดังนี้ก็ดี นี้แหลชื่อว่าความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยอุบายที่แท้ที่จริงชื่อว่าความดีจริงเมื่อกล่าวดังนี้ทานคือจาคชาเจตนาก็ดีศีลคือทุจริตวิรัตภาวนาคือความที่ยังกุศลให้มีให้เป็นขึ้นซึ่งเป็นความดีจริงดังนี้ก็ดีหรือระเบียบถ้อยคำที่ประกาศความดีจริงนั้นก็ดีชื่อว่าธรรม สรุปก็คือทานศีลภาวนาอันเป็นบุญกิริยาวัตถุสามหรือแจกออกเป็นสิบซึ่งรวมรงในไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญารวมทั้งพระปริยัติธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองชื่อว่าธรรมถามว่าธรรมแปลว่าอะไรแก่ว่าธรรมแปลว่าของทรงไว้ซึ่งสัตว์ที่ทรงไวซึ่งตนธรรมนี้หมายถึงสภาพที่ทรงไวซึ่ง สัตว์ที่ส่งไว้ซึ่งทำอีกอย่างหนึ่งว่าของอันบุคคลพึงส่งไว้ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงที่บังเกิดขึ้นด้วยอุบายที่จริงที่แท้ดังกล่าวมาแล้วนั้นบุคคลใดทำให้มีให้เป็นขึ้นในตนผู้นั้นชื่อว่าธรรมจารีผู้ส่งไว้ตึ้งทำทำนั้นแลจะส่งผู้นั้นไว้คือไม่ให้ตกไปในที่กอบด้วยความทุกข์มีนรกเป็นต้น เพรเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงพานิตร็จเลยว่าธรรมโมหเว ร, รคติธรรมมจาริณธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอซามีซั่งโซธรรมเมตุจินเนณทนะุขติงคัจฉติธรรมมจารีแต่ว่าธรรมนั่นเทียวใช่อื่นย่อมรักษาไว้คือว่าทรงไว้ซึ่งบุคคลผู้ประพฤติซึ่งธรรมทำอันบุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำมาซึ่งสุข อันนี้เป็นอานิสง์ในธรรมอันบุคคลประพฤติแล้วดีคือผู้ประพฤติซึ่งทำย่อมไม่ไปยังทุคติซึ่งแปลว่าของอันบุคคลจะพึงทรงไว้นั้นได้ในปรยิยติธรรมอันประกาศซึ่งความดีจริงนั้นเพระปริยติธรรมเป็นระเบียบบทบุคคลจะพึงเล่าท่องทรงจําอันหนึง่งปริยัตจะแปลว่าทรงไว้ซึ่งผู้ทรงไว้ซึ่งตนด้วยก็ได้ เพราะว่าปริยัติธรรมผู้ใดทรงท่านไว้ได้หวังจะปฏิบัติตามท่านย่อมจะทรงผู้นั้นไว้ด้วยให้ความเจริญด้วยพาหุสัจจะแล้วและพ้นจากที่กอบด้วยทุกมีอบายเป็นต้นได้ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงซึ่งเป็นความดีจินนั้นที่ยั่งยืนก็มีที่ไม่ยั่งยืนก็มีที่ไม่ยั่งยืนนั้นคือเกิดขึ้นแล้วดับไปมีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นได้อีก ได้แก่โลกยักุสลธรรมซึ่งเป็นไปในภูมิสามคือการมวจรรูปวจรูปวจรูปวจรูวปวรูปวจรูปวจรูปวจรูปวจรูปวจรูปวจรูปวจรูปวจรูปวารูปวจรูปวจรธควจ ร, รูปวจรูปวจรูปวจรูปวจรูปวจรูปวจรูปวจรูปวจรูวรูปวจรูปรวจรูปวจรูปวจรูปวจนูนนนนรรจดดปวจรูวจรูจรูปวรูปวรปจรูปวจรปรปรูปวปรร 1, ปูปรปรูปปรรรูปปวจรวธรร 1, ร, รู ระเบียบพ้อยคำอันกรอบด้วยคิริยาและการกประกาศซึ่งปฏิบัติสัตรธรรมและปฏิเวทสัตธรรมชื่อว่าปริยัตสัตธรรมปริยัตสัตธรรมนั้นจัดโดยบุคคลผู้กล่าวเป็นสีคือพุทธภาสิต1หนึ่งสาวกภาสิตธิหนึ่งอิสิภาสิต1หนึ่งเทวตาภาสิทธิ์หนึ่งทที่พระพุทธเจ้าทรงพาสิท์แสดงไว้ชื่อว่าพุทธภาสิทิ์ ได้แก่วิไนสุตปันตะอภิธรรมมัทธะทำอันสาวกนับเรื่องในบริษัทสี่ก็คือพิษูพิสุตีอุบาโกอุบาสิกาภาสิทธไว้แสดงไว้มีอนันคณะสูตรสั ม, มาธิฏฐิสูตรเป็นต้นชื่อว่าสาวกะพาสิตธกสารีบุตรก็แสดงไว้ทั้งสองสูตรนี้นะอนันคณะสูตรสูตรที่ว่าด้วยกิเลสเพียงดังเนินแล้วก็สมมาทิฏฐิสูตรสูตรว่าด้วยความเห็นถูกต้องกสารีบุตรเป็นผู้แสดง ก็เรียกว่าสาวกภาสิตแต่ว่าถา้าเมื่อไหร่ที่พระพรุทธเจ้ารับรองหรือว่านุโมทนาอันนั้นก็ชื่อว่าเป็นพุทธภาสิตไปด้วยทมอันฤาษีปริภาชกไขยนอกซึ่งรู้ภูมิแห่งธรรมภาสิตแสดงไว้ดังปริภาชกวะเป็นต้นชื่อว่าอิติภาสิตภาสิตของฤาษีตามที่เทวดามานพรภาสิตแสดงไว้ชื่อว่าเทวตาภาสิต ได้แก่ระเบียบแห่งคำในเทวตาสังยุตเป็นต้นที่เป็นคำอันเทวดาเทวบุตรและมารพรมกล่าวปริยัติธรรมซึ่งจัดโดยพาสิตสีอย่างนั้นมีองค์อวัยวะเป็นที่กำหนดเก้าก็คือสุตตะหนึ่งเคยะหนึ่งวยากรณะหนึ่งคาถาหนึ่งอุทานหนึ่งอิติวุตกะหนึ่งชาตกะหนึ่งอาภูตธรรมหนึ่งเวทละหนึ่ง ระเบียบคําที่แสดงเนื้อความได้เรื่องหนึ่งควรจะชักมาตาทกได้แต่บาลีประเทศนั้นๆดังนี้ชื่อว่าสุตตะเหมือนคําที่เป็นอุเทศวาระดังนี้ว่าปัญจีมานิพิขเวผลานิกะตมานิปัญจะศัทธาพลังวิริยะพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญาพลังดังนี้ชื่อว่าเป็นสุตตะพระสูตรที่ว่าด้วยพระห้าพระห้าอย่าง ก, การนี้ก็คือ สัทธาภระวิริยะภระสติดภระสมาธิภระปัญญาภระ๊ะอย่างนี้ชื่อว่าสุตตะหรือคําว่าอิทัพพิขเวอริยสาวกโกตัตโตโหติปดะหติสถากตัสตสะโพทิงอิติปิโสพะควาระหังสมมาสัมพุทโธจะทยย่างถึงพะควาติดังนี้เป็นต้นก็ชื่อว่าสุตตะเหมือนกันก็อริยสาวกในธรรมวินัยนี้มีศรัทธาประกอบด้วยศรัทธาเชื่อปัญญาตักรู้ของ ม, มัสสมมาสัมพุท้าดังนี้ว่า แม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นต้นอย่างนี้ชื่อว่าสูตรระเบียบคําที่แสดงเนื้อความได้เรื่องหนึ่งดังนี้แม้ในวินยัยหรือในอภิธรรมกด็ดีชื่อว่าเป็นสุตตะในที่นี้ในวินัยก็ข้อบัญญัติข้อหนึ่งก็เรียกว่าเป็นสูตรเหมือนกันนะอภิธรรมก็เรียกว่าเป็นสูตรเหมือนกันก็ระเบียบคําที่เป็นจุนนิยบท บ้างคาถาบ้างปนกันอยู่ดังสคาถาวัในคัมภีร์สังยุตชื่อว่าเขยะระเบียบคำที่เป็นจุนิยะบทล้วนๆไม่มีคาถาปนดังธรรมจักรตัปปวัตตนสูตรเป็นต้นชื่อว่าเวยากรณะระเบียบคำที่ท่านประพันธ์ผูกเป็นคาถาล้วนไม่มีจุนิยะบทปนดังกาะสูตรภูหัตถะสูตรเป็นต้นในมหานิเทศชื่อว่าคาถา ระเบียบคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยสมณัสยานแต่งออกชื่อว่าอุทานดังคำว่ายะดาหาเวปาตุพวันติธรรมาอาตาปิโนชาณโตบรามนาตะอาทาัสกังขาวัปยันติสับบายะโตประชานาติสเสหตุธรรมังเป็นต้นอุทานนี้เป็นคาถาปามีเป็นจุนิยาบทปะมี ระเบียบคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นอุเทศวาระขึ้นก่อนแล้วแสดงอุเทสวาระนั้นแล้วจึงกล่าวนิคมในภายหลังอีกชื่อว่าอิติวุตตะเหมือนคำว่าอิมาชะทาตุโยพิกเวมยาธรรมโมเดติโตอนิขะหิโตอสังกิริโธอนุปวัตโโชอปติกุตโวะสมเนหิบรามเณหิ h i ิ i ah n u h e uh i i it t i in ิ t ิ k o pane tanga tanga kince t ปฏิจจาวุตังชยิมาพิกเวธาตุโยปัทวีธาตุจอทั้งถึงวิญยูหีติอิติยันตังวุตังอิดะเมตังปฏิจจาวุตังอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอิติวุตกะระเบียบคำที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงบูรพาจารีตที่กรอบด้วยคำว่าภูตักปุปังพิกเวดังนี้ชื่อว่าชาตกะก็คือชาดก ดังทีคาวุชาดกและมค ะ, ะเทวะชาดกเป็นต้นระเบียบคํากรอบด้วยอัจฉริยะอภูตธรรมดังคําว่าจัตตาโรโเมพิขเวอัจฉริยาอภูตธรรมมาอานันเดเป็นต้นชื่อว่าอภูตธรรมธรรมที่เป็นที่นาจจ่าอัศจรรย์ระเบียบคำที่ผู้ถามได้ความรู้แจ้งและความยินดีถาม ต, ต่อขึ้นไปชื่อว่าเวทันละ ดังจุลเวทารสูตรมหาเวทารสูตรสัมาทิฐิสูตรสักกะปัญหาสูตรเป็นต้นอนหนึ่งเคยยะและวิยากรณะเป็นต้นท่านก็เรียกว่าสุตตะก็เรียกว่าสูตรเหมือนกันเคยยะและวิยากรณะเป็นต้นท่านก็เรียกว่าสูตรเกรเ้า น, านี้ชื่อว่าเป็นองค์แห่งปริยัติสัทธธรรมเรียกว่านวังคะสัตตุศาสตร์ปริยัติสัธรรมนี้เมื่อพระสังคีติ กาจาริยะเจ้ายังไม่ได้ทําสังขยาและจะทําสังขยนานานท่านเรียกว่าธรรมวิไนเรียกว่าธรรมวิไนชื่อดังนี้ระเบียบคําที่ประกาศข้อปฏิบัติในกายวาจาที่พระพุทธเจ้าแต่งตั้งไว้เป็นพุทธอาทยาเป็นอาณาเทศนาชื่อว่าวิไนระเบียบคําที่ประกาศข้อปฏิบัติที่เป็นไปในกายวาจาใจที่พระพุทธเจ้ามิได้แต่งตั้งเป็นอาทยา เป็นแต่แส ด, แดงด้วยโวหารเทศนาบ้างปรมัตร์เทศนาบ้างชื่อว่าธรรมก่อนหน้านั้นก่อนที่จะสังเญนมีแต่ธรรมกับวินยัยแต่ไทยหลังก็จัดเป็นสามพิตกหลังจากสังเญนแล้วอันหนึ่งเมื่อเวลาทำสังเญนานั้นส่วนวินยัยท่านเรียกว่าอุปโตวินยัยวินัยทั้งสองของพิกษุกับภิกสุนีแปลว่าวินัยโดยส่วนสองคือพิกษุวินัยกับภิกสุนีวินยัย ส่วนธรรมท่านเรียกว่าปัญจกนิกายแปลว่านิกายห้าคือทีท่านิกายพระสูตรขนาดยาวมัชมนิกายก็พระสูตรขนาดปานกลางสังยุตตนิกายก็พระสูตรที่ผสมเป็นสังยุตสังยุตไปแล้วก็อังคุตตานิกายก็พระสูตรที่ว่าด้วยองค์ที่เพิ่มขึ้นเท่าละหนึ่งตั้งแต่หมวดหนึ่งจนทั่งถึงหมวดสิบเอ็ดขุดทกนิกายก็พระสูตรย่อยๆหลายๆหมวดสิบห้าคัมภีร์ด้วยกัน อันหนึ่งปริยัติธรรมนี้ตั้งแต่ทำสังคยานาแล้วมาท่านเรียกว่าเตปิดตะกังพุทธวจนะังเป็นวัวหารกลางกออยู่ในคำภีอัตกถาเตปิดตะกังพุทธวจนะางแปลว่าคําแห่งพระพุทธเจ้าคือหมวดแห่งปิดกสามก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระตรายดกนั่นเองท่านจัดเอาอุปโตวินัยเป็นวินัยปิดกจกัดมกาย่ห้าเป็นสองปิดกก็คือพระสูตรตันตปิดกกับพระอภิธรรมปีดก ส่วนระเบียบคําซึ่งประกาศทมที them, jangan, ่สุขุมละเอียดบ้างที่ไม่สุขุมละเอียดบ้างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเป็นขคยะบ้างเป็นเวยากรณะบ้างเป็นคาถาบ้างเป็นอุทานบ้างเป็นอิติอุตตะบ้างเป็นชาตกะบ้างเป็นอาภูตธรรมบ้างเป็นเวทลาบ้างและพระสังคีติกาจริยเจ้าท่านจัดไว้เป็นระเบียบคามีนิทานบ้างไม่มีนิทานบ้าง ประดับด้วยองค์คือสุตตะมากบ้างน้อยบ้างดังนี้ชื่อว่าสุตันตปิฎกท่านจัดระเบียบคำที่ประกาศธรรมะอันสุขุมละเอียดไม่มีนิทานและประดับด้วยองค์สองคือสุตตะและเวยากรณะดังนี้ชื่อว่าอาภิธรรมปิฎกเพราะเหตุ น, นั้นพระอัจริยะเจ้าท่านจดชี้ประยะิยัติธรรมท่านจึงกล่าวว่า ปิตรกัตยะสังคหิตังสับบางพุทธวัจนังปริยติสัทธัมโมนามะแปลว่าคำแห่งพระพุทธเจ้าที่ตั้งสงเคราะห์ด้วยหมวดสามแห่งปิดกชื่อว่าปริยสัทธรรมด้วยคำว่าพุทธวัจนังแปลว่าคำแห่งพระพุทธเจ้านั้นหรือว่าคำของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นให้นักการพึงรู้เถิดว่าคำที่สาวกและฤาษีและเทวดาภาษิท์แล้ว และพระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาตอบดังนี้ก็ชื่อว่าพุทธวจนะนับว่าเป็นป ร, ริยัติธรรมเหมือนกันอันหนึ่งป ร, ริยัติธรรมนี้ท่านกล่าวว่าจัดโดยขันเป็นหมวดหมวดมีอยู่แปดมืนสี่พันพระธรรมขันจึงได้เรียกกันว่าแปดมืนสี่พันพระธรรมขันทุกวันนี้จะได้มีผู้ใดนับตรวจดูรู้ว่ายิ่งหรือย่อนขาดหรือเหลือก็หาไม่ ปริยัติธรรมนี้แต่เดิมท่านทรงไว้ด้วยปากเรียกว่ามุขปาฐะเมื่อประดิษฐานอยู่ในพระอริยเจ้าผู้มีสันดานอันบริสุทธิ์พราปริยัติธรรมก็เป็นของบริสุทธิ์ใสสะอาดราชาสัจธรรมปฏิรูปคาเป็นธรรมปลอมดังทองในท้องพระคลังหลวงซึ่งบริสุทธิ์ปราชจาของปลอมครั้นนานมาพระพุทธศาสนาการล่วงแล้วสี่ร้อยปีพระเถระเจ้าทั้งหลายในลังกาทวีป เห็นกุลบุตรมีปัญญาน้อยไม่อาจจะทรงไว้ด้วยปากจึงจารึกเป็นอักษรไว้ในใบลานครั้นนานมากุลบุตรมีปัญญาน้อยลงท่านจึงแต่งคำภีอัตตกถาแก้เนื้อความในพระบาลีแต่งคำพีดีกาแก้อัตตกถาพระปริยัติธรรมนี้เมื่อประดิษฐานอยู่ในปุุชนผู้มีสันดานไม่บริสุทธิ์ดังพระอริยเจ้าก็เป็นประหนึ่งว่าเงินทองอยู่ในมือของราชฎร บุคคลบางจำพวกเป็นกระยาณักุฎิชนมีสันดานอันซื่อตรงเคารพในพระปริยสัจธรรมมากบางจำพวกมีสันดานไม่ซื่อตรงเคารพในปริยสัจธรรมน้อยเพราะเหตุนั้นสัจธรรมปฏิรูปของปลอมสัจธรรมบุคคลบางจำพวกแต่งขึ้นแล้วและอ้างว่าเป็นพุทธวจนะก็มีดังกุลลามพระสูตรราโชวาทาสูตรติดขินดริยะสูตรเป็นต้น ปรากฏชื่ออยู่ในอัตกระถาตัวเช่นนั้นคนที่เป็นนักปราชแต่งขึ้นไว้อ้างว่าเป็นพุทธภาสิตบ้างสาวกกะปาสิตบ้างมีอยู่มากดังอาคาระวะตารสูตรวิชานสูตรและคำภีร์อื่นๆเมื่อเป็นเช่นนี้กุลบุตรผู้มีปรีชาเมื่อเห็นคำภีร์และปาฐะที่ท่านอ้างว่าเป็นพุทธภาสิบและสาวกกะปาสิบใดๆก็ดีถ้ามีความสนเทแล้วไซ ก็พึงปฏิบัติตามมหาประเทศสี่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้เป็นเครื่องตัดสินพระธรรมวินัยแล้วตรวจพยัญชนะและอัตถถ้าวิบัติแล้วอย่าพึงเชื่อถ้าไม่วิบัติแล้วไซก็ควรเชื่อได้อันหนึ่งพยัญชนะสมบูรณ์แต่อัตถะวิบัติเล่าก็ไม่ควรเชื่อระเบียบคําอันใดชี้อัดคือข้อปฏิบัติไม่เป็นไปเพื่อวินยัยนำเสียซึ่งอกุศลสังกิเลมีราคะเป็นต้น ไม่รำหนับความโลภความโกรธความหลงหลงได้และไม่เป็นไปเพื่ออภิญญาความรู้ยิ่งรู้ของจริงสี่อย่างคืออริยสัจ ร, ระเบียบคําเช่นนี้ชื่อว่าวิบัติโดยอัดไม่ควรเชื่อระเบียบคําอันใดแสดงอัดคือข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อวินยัยนําเสียได้ถึงราคะโทสะโมหะอันเป็นอกุศลสังิเลตและเป็นไปเพื่อ อ, อภิญญาความรู้ยิ่งสัจจะของจิงส ระเบียบคำเช่นนี้ชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยอัฏฐสมบัติเป็นของควรเชื่ออันหนึ่งพึงตัดสินปริยัติธรรมด้วยโอวาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่นางมหาปชาบดีโคตมีซึ่งจะกล่าวในปฏิบัติสัตธรรมนั้นด้วยเถิดปริยัติธรรมนี้แปลว่าศาสธรรมคือระเบียบคำอันบุคคลพึงถึงรอบคือเล่าเรียนศึกษาให้รู้อัฏฐอธิบายในสานักของอาจารย์ อันหนึ่งปริยัติธรรมนี้เป็นของอาศัยเหตุภายในคืออุตสาหะกับปัญญาสองประการอาศัยเหตุภายนอกคือการลมบัติจึงเป็นไปสมบูรณ์บริสุทธิ์ปริยัติธรรมกถาจบเพราะฉะนั้นการศึกษาปริยัติธรรมนั้นก็ต้องอาศัยอุตสาหะก็คือความภาคเพียรของตนเองซึ่งเป็นเหตุภายในกับปัญญา หมายถึงการเข้าไปสอบสวนการเข้าไปรอบรู้การเข้าไปพิจารณาจนกรทังรู้ความเป็นจริงก็อาศัยความพยันแล้วก็อาศัยทั้งปัญญาแต่ว่าเหตุภายนอกนั้นก็คือการลมบัติว่าสมัยนั้นมีคนเคารพธรรมวินัยมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะแนะนำคาสอนถูกต้องรงก่คคาสอนของพระพุทธเจ้าได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการลมบัติซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคง เป็นการลมบัติมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเผยแพ่มากมายทั้งในพระไตรปิฎกครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ได้ศึกษาคําสอนเหล่านั้นแล้วก็ตรงจัทร์สืบต่อกันมาอธิบายแจกแจงพอที่จะทําการปฏิบัติให้รู้ให้ถึงให้เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตได้เราะฉะนั้นก็ไกด์ทนทั้งหลายได้มีศรัทธาในการที่จะศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อน้อมนําไปในการที่จะปฏิบัติซึ่งก็จะแสดงเรื่องของปฏิบัติสัธรรมในวันพรุ่งนี้ ขออนุโมทนาสาธุการแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้เคารพพระสัทธรรมน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เห็นแจ้งรู้จริงในจิตของแต่ละท่านโดยทั่วกันดมเทินสาธุสาธุสาธุ